สังคาทิเศษสิกขาบทที่สภิกษุณีเรียกภิกษุณีที่สงพร้อมเพรียงกันลงอุกเขปเนียกรรมโดยธรรมโดยวินัยโดยสัจถุศาดให้กลับเข้าหมู่โดยไม่บอกการกระสงค์ไม่รู้ฉันทะของคณะต้องอาบัตสามอย่างคือ 1. จบยัติติต้องอาบัาบ ต, ตออบทุกกฎ 2. จบกรรมวาจาสองครั้งต้องอาบัตทุลจใจ 3. จบกรรมวาจาครั้งสุดท้ายต้องอาบัตสังคาทิเศษ